สังวรสังรวมอินสีหกคือตาหูจมูกจีนกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่เห็นรูปฟังเสียงรวมกลิ่นดินรถผลจะพาดุรัมอารมณ์โดยใจสอนเกินใจดังทั้งดีไปเถอะเกินไปหุ่นจบร้ายประโยชน์ก็สอนนิดเดียวทีเดียวไอ้คนไปยิงเขายินดียินร้ายวะบ่ได้พี่น่าห้ามห้อนตรงนี้กัดเกิ ถ้ากว่าเขารู้เรื่องชัดมันเด่นแต่ความยินดีมันก็เป็นเห็นในทุกเกิดถ้าเราไปหมายหมายมันความยินร้ายมันก็เป็นเห็นในทุกเกิดทิ้งทั้งสองอย่างมันมีราคาเท่าๆกันีคันมันเกิดขึ้นมามันเห็นโทษมันทุกอย่างนี่กันความยินดีขึ้นมากกรด็นซักแต่ว่ายินดีเท่านั้นการความยินร้ายเกิดขึ้นมากระเ็นักแต่ว่าความยินร้ายเท่านั้น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 ไปตกที่สาีิเราเอาความยึดกับไปหมายมันตรงนี้สําคัญกว่าเขานั่นก็นเลยเกิดเป็นพิดขึ้นมามีความร้ายเช่นอย่างการมาคุมก็เหมือนกันการเสพกามเนี่ยมันก็เท่ากันกับมีรู้จมูกเอาในมือแย่เข้าไปเท่าเนี้ยมันมีอะไรไหมแต่ถ้าเราไปวางความยึดมั่นหมายมั่นไว้ตรงนั้นสําคัญที่สุด มันเป็นช่องที่ชาวโลกชอบกันที่สุดในจะเอาวางไว้ข้างบนเนี่ยเอาไปวางไว้ตูดนั่นก็ได้ถ้าไปเห็นวิบแตน่ยมันใจมันสบ้ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้จังในรู้ว่าสัตว์ไม่รู้ว่าบุคคลจะมูกเอามือแยกเอาไว้ที่เนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยเอาขี้จะมูกเฉยๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรพราะเราไม่ไม่เอาไม่ได้วางความยึดมั่นถือมั่นแบบตรงนี้ถ้าเราวางไว้ข้างตูดนั่นน่ะ มันยิ่งสกกระโกระด้วยตรงนี้มันสําคัญที่สุดไหมชาวโลกมองตรงนี้เป็นสําคัญที่สุดเนี่ยเพราะแต่ยังไม่เห็นท่นานอะเว่อกผ้ากันถึงกัเท่านี้เท่านั้นน่ะอตายแล้วท่นานั้นนี่บะเพราะอะไรมันพบมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราถือได้่าตรงนี้ก็เหมือนดูจหูกเราเท่านั้นเอาอะไรไปแยกเขาไปมันก็เฉยเยเท่านั้นแค่แต่ขี้จหูกออกมาเท่านั้นเนี่ยเรามาคิดอย่างนี้ตัวมันห่างกันเท่าไหร่ไหม เรื่องธรมรมดาก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้มันได้เอาพบกัไปใส่มาเนี่ยมั น, น, มนก็ไม่เกิดชาติขึ้นมานี่นะไม่มีชาติเกิดคือไม่มีความสุขความทุกข์ไม่มีความยินดีเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรเป็นธรม ร, ธรมดาธรรมดาเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมันม่นมั่นว่าตรงนี้มันเป็นนัน่นนั้นอ้นั่นชาวโลกท่านเอาอะไรไปใส่ตรงนั้นเน่ยใส่ใส่ตรงนั้นชอบคนชอบชอบ ท, าทอํางานติดตรงศพกระโปรง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 นั่นแหละพี่ยังห้าจิบตรงนี้มันขาด<笑><笑><笑><笑>บางทีผมเห็นพระแบกกรดใหญ่ๆตากแดดไปโน่นไป น, น, ไปนี้หลายจังหวัดผมก็มองนู่น่ผมเหนื่อยเหมือนกันไปทําไมไปหาความสงบผมไม่มีคําตอบเขาแล้วไม่รู้ว่าความสงบอยู่ตรงไห น, นไม่ใช่ให้โทษเขาผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอืมผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไปหาความสงบนึกว่าความสงบมันจะอยูอย่ตรงโน่นตรงโน่นตรงโน่นคิดไว้อย่างนั้น แต่ก็มีจริงๆเหมือนกันนะเมื่อไปตรงโน้นก็สบายหน่อยมันสบายตรงไ อ, อ้คนเราเมื่อกว่าตัวเป็นก็มันอยู่อย่างนั้นนึกว่าตรงนั้นมันจะสบายเนี่ยผมไปเห็นสุนัขจิ้่บ้านพระภากระลุอะสมมติตัวนั้นใหญ่เขารักมันเขาว้าใ น, น้างนอกบ้านเราอออเอาข้าวให้กินอยู่ตรงน้นมันก็นอนอยู่้างนอก มันอยู่ข้างนอกนานไปมันก็คิดอยากเข้าในบ้านมันเขมาดันประตูให้จะของก็รําคาญไปเปิดประตูให้มันมันก็เข้าใหม่สบายปิดไว้อากาศจะเข้ามันจะหนาวเห็นชั่วนักมันก็วิ่งไปดิ่งมาแล้วก็เบื่ออีกแล้วอยากจะออกไปอีกแล้วอืมันก็ไม่เออจะของก็ราคาญเนี่ยไปเปิดประตูให้มันออกไปอืเอาไปอยู่ข้างนอกสบายชั่วคราวเดี๋ยวมันอยากออกมาเข้ามาอีกแล้ว นะแล้วมาตะโกนประตออออูอย่างนั้นเลกว่าข้างนอกมันดีกว่าข้างในก็เข้าไปเข้าไปชั่วคราวเด้อไม่เบื่ออีกแล้วไม่ดีอยากออกมาออกมาแล้วมันก็ยังงั้นแหละก็อยากเข้าไปเข้ามาจิตของคนเหมือนสูนัขนันก็เข้าเข้าออกอยู่อย่างนั้นะมันไม่ไม่รู้จักวันที่ไหนมันที่สบายอื เราคิดอย่างนี้อะไรทั้งหลายที่มีความรู้สึกนึกคิดในใจเรามันสิพยายามระ ง, งับลงไปะนะพยายามคิดเฉยๆไอ้อความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมันพร้อมกันทางนั้นเนี่ยทำฉะนั้นเรามาวัดอันนี้ดูพวกเราอย่างไกลนะไกลยอย่างไกลยัยงห่างไกลหลาย อ, อันนี้พูดถึง ไปที่ยวเมืองนอกมาหรอกผมเขียนไดหลายอย่างไปที่หนึ่งผมมีปัญญาขนาดหนึ่งไปข้างที่สองนีง่ผมมีผมมีปัญญาขนาดนข้างที่หนึ่งผมต้องเขียนที่หนังสือตรงนั้นตรงนั้นข้างนี้ผมวางปากกาเลยไม่ได้เขียนอ น, น, น, นุษยนะนี่ที่ไหนได้ปล่อยเลยคิดว่าเออเราจะไปเขียนเอาบ้านเอาเมืองเขามันจะโทนหรืเนี่ยเนี่ย <c oughs> มันเป็นซะ อ, อย่างนี้น่ะ <c oughs>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 เรื่องวิทยาศาสตร์ยกให้เขาเลยไม่ต้องไปเถียงเขานะนะเรื่องพุทธศาสตร์เรื่องพุทธศาสตร์นี่เรายังไม่ยอมเหมือนกันเรื่องวิทยาศาสตร์ทุกอย่างน่ะวัตถุต่างๆละมอกไปเขาเจ้าสู้ไม่ได้แนละ้วเรื่องพุทธศาสตร์นี่เรายัางอยู่เหลืออยู่นยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันก า, ารประพฤติปฏิบัติของพวกเราเนี่ยบางคนงก็นเป็นทุกข์เป็นยากเป็นอะไรก็ไปวิ่งตามรอยที่มันเป็นทุกข์มันก็ทุกข์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 เรื่อทิฏฐอย่างมากที่สุดตรงนั้นเขาก็เลือกว่ามันดียึดมันถือมั่นทนักคนจะไปทางนี้มันน้อยพว้เราทั้งหลายทุกทุกคนก็เหมือนกันที่มาอยู่ในนี้สัมมาทิฏฐินี่ยังมีน้อยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบโดยมากมันพิจารณาตามธรรมะนั้นมันไม่ชอบมันเห็นไม่ชอบ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 สารพัดอย่างเราทำมันเป็นขาหักหมดอย่างนี้เหลือแล้วคือเส้นเย็นของเราไม่เป็นปกติต้องพยายามให้มันเดี่ยวไปทําไปต้องต้องทําทุกวันทุกวันก็สบายทําทุกวันทุกวันสบายยิ่งทุกวันก็สบายเขาทําถ้าหากว่าเขาไม่ทําเขาจะไม่สบายผมเลยคิดน่า นี่คือทำอารมณ์ใจเจ้ของอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงมันตึงออกวันนี้มันมันตึงเครียดเรามันเปลี่ยนแปลงมันปสบายสบายโัวขาวพอเราทำมันถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเกิดก็ไม่สบายอีกแล้วจะนดิ้งก็ต้องทำทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อที่สบายถ้าไม่ได้ทำวันสองวันไม่สบายแล้ว ผ, ผเขอใจว่าเพิ่มงานก็น้ามาโดยที่ไม่โดยจักเจ้าของที่นี่วิสัยของคนที่ต้องทนะําน่ะเพราะแม้จีนคนหนึ่งไอ้นี่ยไม่นอนมาได้สามสี่ห้าปีแล้วมั้งนั่งเช่ตัวต้องการอาบน้ำทีหนึ่งปีงเท่านั้นร่างกายเขาอ้วนเลือดลมก็ดีไม่ต้องวิ่งกขนาดถ้าจีนคนนี้ตายเขาไปวิ่งเข็มก็จะไม่สบายกันเหมลูก พราะเาฝึกอย่างนั้นฉะนั้นมันเป็นพ่อะการฝึกสําคัญที่สุดมันแก้โรกก็ได้เพิ่มโรกก็ได้ความรู้สึกนึกคิดเรานี่หถือว่กากันทุกอย่างนั่นแหละต้องเป็นอย่างนั้นคีพรเพริยวตรงต่อสันห้รู้รอบรู้รอบให้มันรู้รอบจริงจริอย่าให้มันในว่าอย่าให้มันในว่างเราทุกคนอย่าเพิ่งไปยึดมัน่นถือมันม่นมอย่าเพิ่งไปเตือนเต้นอะไรมันทั้งนั้น เราอยู่เช่นนี้เช่นอยู่บ้านเราอยู่กับครูบาอาจารย์ที่น่เราอยู่เราอยู่กันสบายสบายมันก็ไม่มีอะไรมนสบายแลย้วนี่ค่ายๆปลาตัวเล็กมันอยู่หนองใหญ่ก็วิ่งลอยสบายปลาตัวเล็กมันอยู่หนองใหญ่มันก็สบาย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 เขาอยู่ตามสภาพบ้านเขาน่เาก็สบายอย่างนั้นไข่เขาแบามันเป็นปลาตัวเล็กมันอยู่หนองใหญ่มันสบายถ้าข้าวเมืองไทยเราบีบอยู่เนีมันเป็นปลาตัวใหญ่อยู่หนองเล็กจะรบจะชันจะไปจะมาจะอะไรอะไรมันมันมันมันไม่ถูกทางกันเท่นั้นน่ะปลาตัวใหญ่อยู่หนองนึงมันดิ้นไม่ได้ไปไม่สะดวก ขนาดนั้นไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนี่คงในระดับอเดียวกันอยู่คนหนึ่งติดอย่างนั้นค น, นคนนึงติดข้างซ้ายคนหนึ่งติดข้างขวาแค่นั้นนีงแะ่นั้นในทางที่ดีพระพุทธเจ้าให้รู้จักให้รู้จักรประเพณีไทยประเพณีฝรั่งให้รู้จักถ้าเรามีประเพณีธรรมะเราจะเอาประเพณีเมืองเมืองเมืองนอกเมืองไทยเข้ากันได้สบายถ้าเราไม่รู้จักปร ประเพณีของธรรมะแล้วมันยุ่งทานั้นเนี่ยมันยุ่งทงนั้นประเพณีธรรมะนี่เป็นที่รวมของวัฒนธรรมทั้งหลายกันมาในนี้เป็นประเพณีอย่างนี้อันนี้ผมเคยได้ยินคำพระท่านสอนไว้ว่าเมื่อเราไม่รู้จักภาษาเขาไม่รู้จักคำพูดเขา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 บ้านเราไปเนี่ยมีประโยชน์มันเป็นมีประโยชน์แต่ก่อนมันยึดเดี๋ยวก็มั่นเดี๋ยวนี้มันยึดไม่ให้มันมั่นจับมาดูเฉื่อยแต่วางมันแต่ก่อนจับมาไม่ยอมวางมันยึดยึดมั่นดีกว่ายึดมั่นสมัยนี้มันเป็นยึดไม่มั่นไอ้ผมด่าพวกท่านก็ได้ไอ้ผมโกรธพวกท่านก็ได้ แต่ในทำดองที่ว่ายึดอย่าให้มันมั่นอย่าให้มันขาดจากใจของเราสบายจริงสรวลจริงถ้าเรารู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเฉะนั้นผมจึงสรรเสริญคําสอนพระพุทธเจ้ายึดเอาประเด็นทั้งสองเข้ามารวมกันสบายที่นี้รู้บางสิ่งบางอย่าง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 อย่างนี้จะเปรียบเทียบไปตรงนี้เห็นคนที่ไม่ดีบางคนเห็นคนไม่ดีแล้วก็รังเกลียดเมเรเมตธรรมะเห็นคนไม่ดีนั่นแหละคือครูเราแล้วเราจึงจะรู้จักคนดีถ้าเห็นคนดีก็ดีแล้วจะเป็นครูเราแล้ว ร, รู้จกคนไม่ดีเห็นบ้านหลังนี้มันสวยกว่าดีเราจะรู้จักบ้านที่ไม่สวย เห็นบ้านหลังที่มันไม่สวยนี่เราก็ดีเราจะรู้จากบ้านมันสวยไม่ได้ทิ้งสักเม็ดเดียวทรมาฉะนั้นพระพุทธองค์ทัานว่าสู้ทั้งหลายจงมาดูโรคนี้อนนาตการดุ ร, ราชสสรดกคนเขาคือคนหลงอะหมกอยู่แต่ผู้รู้หาของอยู่ไม่เรียนนักธรรมเด็กพมพิจารณาเรื่องเกินอันนี้เป็นคำที่สำคัญ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 ถ้ารู้จากว่าโรคมันเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงมันไม่มีขัดไม่มีไม่มีขัดสนิดเดียวโรคก็เป็นกันอยู่อย่างนั้นพระพุทธองค์เรารู้แกแ้โรครู้ความตามเป็นจริงของโรครู้กแก้ซึ่งโรคแล้วก็รู้ธรรมะอะไรอย่างมันก็ไม่ห่วงในโรคถ้ารู้โรคโดยแก้แจ้งมันก็ไม่มีโรคกระทาเราไม่เป็นไปตามโรคกระทานั้น มันก็ไม่ฉัดโลกตวดโลกมันเป็นไปตามโลกกะธรรมั น, น, นั้นอื ม, มันแย่งกันไปทุกอย่างฉะนั้นเมื่อเราเห็นอะไรเราก็ให้พิจนารณานั้นพวกเราทาั้งหลายนี่มันยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมลมอันนี้ใครจะพิจนารณา รูปเข้าใจไหมรูปรูปเราเนี่ยนี่นั่งเป็รูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปเสียงเราก็รู้กันรูปเสียงกลิ่นรสโภชภัณเราก็รู้กันทั้งนั้นรูปเสียงกลิ่นรสธรรมาลมธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นตับใจเมื่อรูปรูปเสียงกลิ่นรสโภชภั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 ทางหูทางตาอยากจะริ้มจะเรียรอยากจะดูอากับจิิยาสารพัดอย่างมองเท่านั้นะถ้าหากว่าไปได้แต่งงานกันซะแล้วก็ไม่อะไรเท่าไรนัก <c oughs> อยากจะนหาง ห, àng, ห àng, ่างๆกระหน่อหนึ่งบางทีอยากจะไปบวชเชื่อแต่มันไปไม่ได้นี่เหมือนกันไก่นายพานที่เห็นเนื้อนายพานไปยิงเนื้อเห็นไหม ถ้าเห็นเนื้อที่มันกลัวคนเมื่อไปเห็นมันนั่นน่ะมันก็สยบสยองมันทางหูทางหางมันสารพัดอย่างนายพันก็ยิ่งชอบใจยิ่งทําตัวเขาให้เบากลัวมันจะยิ่งหนีนี่นะอันนี้กูมันกันยิ่งเห็นแบบรูปเสียงเนี่ยรูปมันเป็นยังไงก็ยิ่งโอ้ยนะก็ยิ่งเพ่งทินิดก็ไปให้มันมากที่สุดให้มันบีพอใจเรา นายพานก็มันกัดถ้าเห็นเนื้อถึงมันจะมองเห็นเราก็ยิ่งหลยิ่งดีกลัวมันจะเห็นเราเนื้ยิ่งชอบใจใหญ่เลยเนาะจึงทําอากับกิยากลัวเนื้อมันจะยิ่งหนีไอ้ก็คิดว่าเนื้อเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเนาะเมื่อได้จังหวะนายพานยิ่งต้งตายนายพานก็หมดพะลัจะไปดูเนื้อมันตายก็เท่านั้นแหละ <c oughs> ไม่เห็นมีตื่นเต้นทอะไร แก่เนื้อมันมากินก็อิ่มอิ่มแล้วก็เท่านั้นแหละไปดูหูมันก็เท่านั้นแหละไปจับหางมันดูก็เท่านั้นแหละแต่เมื่อืๆยังมีชีวิตอยู่ใจในพรานไม่เป็นอย่างนั้นนะอมันดูอากับกิริยาของมันเดียวมันยวดยิ่งใหญ่ได้เกินทำให้ใจในพรานอืมใหญ่โตขึ้นมาโอพอกขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาใครมันชอบมากกลัวระวังนะก็เหมือนกันนะเนี่ยคนเรา รูปนี้ของมันการไทยเรายังไม่ได้มันก็รู้มันสวยหรือเกิดวะถ้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยเบื่อเหมือนเนื้อที่มันตายแล้วก็ไปบายหูมันก็ได้จะจับหางมันก็ได้นี่เนื้อที่มันตายแล้วจับหางมันก็เท่านั้นจับหูมันก็เท่านั้นะก็มันตายแล้วอันนี้ถ้าไปแต่งงานเนี่ยนะจะทําอะไรก็ได้ ทำยังไงก็ได้มันก็เ ท, ำทำ่านั้นแหละทําไงเนียกก็าหาทางนี้อยู่แล้วไปนี่เนี่ยเราไม่พิจารณาของเราแต่เราพิจารณาให้มันดีๆเพราะมันไม่มีอะไรมากไปคนนั้นคือมันวาดสูงเกินไปวาดถูกเกินไปมองดูรูปเห็นมันจะกินได้ทุกแห่งโอก็จะกินได้ตาก็จะกินได้จมูกก็จะกินได้นะบางทีนึกไปบางครั้งนื่องว่าขี้มันจะไม่มีเ ใจมันนอกคิดี่งไงหรือเปล่ากันไม่รู้ยังไงพี่ดูบางที่มันก็จะไม่มีเนาะมีก็แต่น้อยเนาะนั่นอทั้งตัวมันจะกินได้หมดนัอันนี้มันบ้าสูงเกินแต่ไม่ใช่อย่างนั้นอืไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันดื่นเหมันเหมือนแมวกัะหนุ่ะถ้ามันดิ้นยิ่งตั้งใจตะคุบเลยนะ จับหนูสะ ห, หนูหนูหนูคลิกตัวครุบเลยแมวยิ่ยงตั้งใจขึ้นถ้านูตายแล้วตะ ก, กุบอะไรก็เฉยหนูก็เฉยแมวก็ไม่ได้ตั้งใจเฉยนี่แมวก็นี่ใช <Yeah. S 2> ่ไหมนี่มันก็เท่านั้นเองแหะมันวาดสูงเกินไปไอ้พวกเราทาังหลายมันไปตา ย, ยที่ตรงนั้นแหละอยูด <Yeah. S 1> มันวาดเกินไปชนนั้น ฉะนั้นถึงนักบวชเนี่ยมันทนทุกข์อันนี้มากกว่าเขาหล่ะเนี่ยเรื่องกามเนะี่ยเรื่องกามกา ม, มะคือความใคร่ใคร่ในความชั่วก็ใคร่ใคร่ในความดีมันก็ใคร่แต่ในที่นี่เรียกกา ม, มะแต่แปลว่าในความใคร่ในทางผีดชอบใจที่ไม่ชอบใจแล้วก็ใคร่มันทำลายเรอะไรทั้งนั้นเนี่ยแต่ในที่นี่แบบกา ม, มะคือความใคร่เทนั้นแหละ มันเป็นเหตุออกยากลําบากอแค่นั้นพระพุท ธ, ทธเจ้าท่านสอนอาโนนท่านถามพระอานน์ถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วน่ยจะให้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามสติภาพอย่างไรเพื่อจะให้เราปฏิบัติตามพวกผู้หญิงอย่างไรมันเดี๋ยวนี้มันทุกข์มันยากมันลําบาก จะให้ข้าพระองค์ประพฤติปฏิบัติตามสติภาพโดยอาการอย่างไรจึงจะมีเดือดร้อนพระพุทธเจ้าอนุโมย่าเห็นมันเลยดีกว่าพระนนขอฟังไปคนจะไม่เห็นคนมันไม่ได้นะม้าถ้าเราจะเห็นต้ทางาไงดีเนาะคิดไปเรื่อยมันพ้นมันไม่หลาไม่ต้องเห็นคนหีือเปล่าข้าแต่พุท า, าีกา ถ้าเหตุที่จะต้องเห็นมีอยู่จะให้ข้าพระองค์ทําอย่างไรเอ้ยอย่าพูดอนุอย่าพู ด, พดถ้าอ น, นุก็คิดไปอีกไงบางทีเราเดินไปในป่ามันหลงทางานงตังงี้นาะมันจะต้องพูดต้งมั่งจะคงไปอย่างนี้เลยนะภาษาถ้าหากว่าเหตุที่จะต้องพูดมีอยู่จะให้ข้าพระองค์ทําอย่างไ ร, อ, รนอนุนทูดไปนี่สเติ ใช่ไหมเห็นสติทุกครั้งทุกเวลานินสตินีจริงเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดเอาแต่เหตุที่มันจาเป็นใน ด, ดูแต่ว่าที่มันจำเป็นหรือจะพูดแต่สิ่งที่จำเป็นจะถามแต่สิ่งที่จำเป็นถ้านี่จิตสกปตกลามกขึ้นไปแล้วอย่าไปดูมันอย่าไปถามมันอย่าไปพูดมัน แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันยิง่งจิตมีสกปรกเท่าไรมันยิ่งอยากเจพ็พคู่นะนั่นเหตุมันตดนตรงนั้นยิ่งสกปรกโลก ร, รากเท่าไรมันยิ่งอยากจะถามยิ่งอยากจะเห็นมันไปคนละอย่างกันนี่ยอย่างนี้มีฉะนั้นผมกลัวกลัวผมกลัวอันนี้มาก แต่ที่พวกทนทางร้ายไม่กลัวนั้นอาจจะเหลียวกว่าผมก็ได้ <c oughs> ไม่กลัวมันไม่เป็นอะไรหรอกอย่างนั้นผมต้องกลัวไปเดอต้องกลัวไวเคยมีไหมคนแก่แ ก, การ า, ากมันมีไหมผมจ็นพูกที่มาอยู่กับผมนี่ผมจะให้ห่างมากที่สุดถ้ามีไม่ความจำเป็นอย่าไปแตะต้องอันนั้นผมไปอยู่ตอนไม้อยู่ในป่านี่ย ไปเห็นลีงมันอยู่ต้นไม้มันซัดกันว่นนั่งกรรมฐานดูหนิผมยันอยากกับมันไปนึกนั่งดูก็อยากอดีมกันไม่เป็นดีมกับเขาดิเอาดิจิงกามันซัดกันท่านี่ผมกว่าอยากนะมันยมผู้หญิงไม่ได้ฟังธรรมผมหลอกสมัยนั้นผมกลัวร้ายนี่ฟังไม่ได้อืฟังมันปนดมดเลยนี้ อไม่ใช่ผมรังเกียจเขาครับผมมันโง่เดีย๋ยวนี้เขาพูดพูดกับคนเท่าเทาแ่แก่ๆนี่เพราะระวังตัวอะไรท่านั่นจึงจึงมันผ่านอันตรายมาถึงฝันนี้อืไม่ใช่ว่าไปเยีกคิ้วใส่แหย้หายใจอย่างนั้นอันนี้ผมกลัวทำไม่ได้ระวังสมณะเราต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนตัวนี้เป็นสิ่งที่สํคาคัญอื มัน น, นน่าจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ก็เดยในธรรมไอ้ความจริงความสองพระการทำท่านพูดไปมี่เหตุผลทุกอย่างเม็มนเหตุผลทุกอย่างไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นก็เป็นทั้งวันไปได้อือแปลกเหมือนกันเนะนี่ยแปกเหมือนกันอืขอขัานแรกอันตรายจะนั่งรัตาท่านนี้สมิทธเ่้าแล้ว เมืองดับตาแล้วมันประโยชนประโยชน์อะไรมันดับตาประโยชนอกจากนั้นปเดินเป็นกลเดินไปต้นไม้ไปมีเดินไปต้นน้นเดินไปเดินเดินไปเดินเราขี andal, ้เกียจเดินทําไมเดินไปสบายไม่อด้ประโยชน์ตรงนี้มันขี้แก่ยจแต่ความจริงการเดินเป็นกลนี่มันมีประโยชน์มากความนั่งสมาธิมันมันมีประโยชน์มาก จะดิบเพรคนเราบางคนแรงในการเดินเป็นกลมบางคนแรงในาการนั่งจะดิบของท่านเป็ น, นเป็นเตยเปนอยู่พอเราจะขึ้นกันไม่ได้จะนั่งสมาธิอย่างเดียวไมได้จะเดินก็โคงย่งเดียวไม่ได้พอที่ท่านท่านสอนว่าวิทยาบทสี่การเดินการเดินการนั่งการนอนคนเราบันดาสายวิยาบทยอย่างนี้อยู่ ่มันจะแรงไปที่ว่ยืนเดินนั่งนอนอะไรไปตั้งไวแต่แรงนี้ดิมันถ้ามันเลมันก็อง่เข้ากันภในตัวของมันอย่างอย่างเราวันหนึ่งคงเดินกี่จมงนั่งกี่จมูนอกี่จมูกเท่าไรไปตั้งมันจะป็นจับฝูงมันเข้าก็เป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนเสมอการยืนเดินนั่งนอนนีให้ตัเนือกันท่านบอกไว้นันธรรมะ อว่าการปฏิบัติให้ปฏิบัติให้มันสม่ําเสมอกันให้ให้อุปยาบทเสมอกันอุว่าบทคืออะไรคือการยืนการเดินการนั่งการนอนให้มันเสมออืคิดไม่ออกให้มันเสมอนี่นั่นก็ตรงกับนอนสองชั่วโมงก็ยืนสองชั่วโมงนั่งจะสองชั่วโมงนะคงจะไปแบบนี้แต่อมตะมาเข้ามาทำแบบ เงินไปไมีไหวครับเงินไปไม่ไหวท่านไม่ไหวแน่นอนเลยใจเดินสองชั่วโมงหรือนั่งก่อสองชั่วโมงเดินไสองชั่วโมงนอนนอนสองชั่วโมงนี่เยอะกว่าที่ยาวดมันเสนอไปทีนี้เราเราฟังผิดนการฟังตามแบบมันผิดที่ยาบดเสนอมันนิยามคจิตของเราความรู้ิตของเราเทานั้น ไม่เป็นการพูด ท, ทั่วไปคือทำจิตของเราเกิดปัญญาแล้วให้มันมีปัญญาให้มันสว่างเอาความรู้หรือปัญญาของเรงนั้ น, นแม่ไว้ที่อยู่จิตญาณหยดยืนยืดเดินนั่งนอนเป็นรู้อยู่เสมออรู้อยู่เสมอเข้าใจอยู่เสมอในอารมณ์อะไรตา่างๆแม่ฉันจะยืนอยู่แต่ข้างจะนอนแต่ตาม จะเดินไม่จะหยุดก็ข้างเลยแขนจะรู้อารมณ์อยู่เสมอการว่าอารมณ์ต่างหลายเหล่าเนี้ยมันจะเป็น อ, อนิจจังทุกขังเนจาร์เท่านั้นไอ้คำพูดอย่างนี้ก็เปลี่ยนไปความรู้สึกจะรู้อย่างนั้นเปลี่ยนไปไอ้จิตใจก็ร้องไปเป็นอย่างนั้นเมื่อถูกอารมณ์เมื่อเราก็เห็นอนิจจังทุกขังเนจาร์ตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นจะเดินจะเดินจะนั่นงจะนอนมันมีก็เห็นอยู่อย่างนั้นเอเมื่อว่ามันจะรักหรือมันจะเบียด มันก็ยังในทิ้งปกิปทาของมนุษย์ของมันอยู่ได้ความเน่ยได้ความถ้าความนั้นที่มีิตมันเป็นปฏิปทาแห่สม่าเสมอกันไอ้ความสม่ำเสมอคือมันปล่อยวางสม่ําเสมอกันอืาสม่าเสมอกันนั่นเดีะมันปล่อยวางสม่ําเสมอกันอ่เมื่อหากว่ามันไม่มันไม่อารมณ์ที่ดื้อตามสมมติของเขามันก็ยังดุตัวของมัน เมื่อมันรู้อารมณ์ที่ชั่วมันก็ ย, ยังมาดูตัวของมันมันไม่รู้มีความชั่วไม่รู้ในความดีสมมุติทั้งหลายเหล่านี้มันจะตรงไปของมั น, น, นอยูอ่ดีด้วยอินสิยาบทนี้เอาเสมอได้ถ้ามันยังไม่สมมติปัดมันไม่เสมอได้อ่าพูดถึงภายในไม่พูดถึงภายนอกพกูดถึงเรื่องจิตใจพูดถึงความรู้สึกทีนี้คนเรานาะถ้าจะอินสิยาบท จิตใจมันก็นามเสนอกันเนี่ยมันจะถูกสัมฤทธิ์ไม่ไปอยู่แคนั้นมันจะถูกมิ่ทาไมันอยู่แคนั้นมันมพขึ้นมันม่ยิ่งลงมันอยู่อย่างนี้เพราะอะไรมันรู้อันตรายรู้อุปสรรคไม่จรงทั้หลายนนี้เห็นโทษเห็นโทษในการสัมฤทธิ เห็นโทษในการมีพาเสมอกันแล้วเรียกว่ามันเสมอกันแล้วอันนี้อันนี้เรกว่าไอ้ความดุจจิตทางในมองดูบ้านในในมองดูด้านนอกอืมเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราฟังธรรมดานะเนี่ยถ้าเอารมณ์ที่ดีจิตของเจะดีด้วยเนี่ยเราจะเห็นพร้อมกันแอารมณ์ที่ไม่ดีจิตของเราก็ไม่จะดีไม่ชอบเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้ นี่เลยไอเดียบทไมันาสมานเสมอกันแล้วมันสมาเสมอแปลว่ามันรู้อารมณ์ว่ามันยึดดีก็รู้มันยึดชั่วก็รู้จักนี่ก็ยังดีกว่าแหละไอเดียบที่มันสมาเสมอแต่มันวางไม่ได้แต่ว่ามันรู้สมานเสมอยึดความดีก็รู้จักเจ้าของยึดควนชั่วก็รู้จักเจ้าของไอความยึดเช่นนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หนทางก็รู้อยู่เนี่ยเข้าใจอย่างนี้แต่ว่ามันทํายังไงได้ ในห้าสิบเปอเซ็นเนี่ยหรือเ็ดสิบเปนเนี่ยนะมันมีมันมีการป่อวางแต่มันรู้ว่าจะจะปล่อยวางตรงนี้มันจะสงบแล้วเมื่อเราพยายามทําไปเนี่ยเห็นโทษในอารมณ์ที่ว่ามันมันชอบใจหรือว่ามันไม่ชอบใจหรือเห็นโทษในสัมมาเหวินทางสนนมำเสมอทั้งนั้นไม่มีอะไแปลกันนหนทาแล้วก็สมำเสมอกัมมาเหวินภาแล้วก็สมำเสมอการ ภูมิทุจิตคนในโลกนี้นะ่ะถ้านินพาก็นยยแล้วไม่ได้ดีหัวใจลราถ้าถูกกันมาเสือเนะี่ยภูมมันชึ้นเช่นดีมั น, นเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของมันเมือมันรู้ตามความจริงซะแล้วนั่นน ะ, ะอาอารมณ์ที่เขานินพาเนั่นมันก็มีโทษ อาวมที่เาเนนั้นมันจะมีโทษติตใน ส, สนอเันจะมีโทษจิตในตามมิ่งามันจะมีโทษนี่มันเป็นโทษทั้งหมดทางนั้นนี่ถ้าเราเปหมายมันมันอย่างนั้นนี่พอรู้อย่างนี้เกิดขึ้นมานีมันจะรู้สึปปกอารมณ์อืถ้าไปหมายมัน่นมันเป็นทุกข์จริงๆมันทุกข์ให้เห็นถ้าไปยึดดียึดชัว่วจริงๆมันจะเป็นทุกข์กินมา แลวาวจะไม่เห็นความทุกข์นั้นาในความยึดทั้งหลายนั้นมันเป็นเหตุที่เราไปทุกข์ไอ้ชัว่วกจะไปทุกข์ดีจะไปทุกข์จับให้แน่นอย่างนี้เราเห็นโทษมันแล้วทำไมเห็นโทษมันเพราะเราเคยยึดมันมาเคยไปทุกข์มันมาอย่างนี้จึงเห็โทษมันมันไม่มีสุขที่นี่สหัทางจอยมันจะไปตรงไหนนเนาะทางจอย ในทางในทางคุตติศาสตร์ใบละอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟันไม่จบเรื่องนึ่งอย่าไปยึดมั่นถือมั่นคือถ้าไปยึดอยู่จะใหญ่มั่นเอางั้จก็ดีอย่างไฟฉายนี่นี่คืออะไรไฟสายนี่ไปยึดมันนาได้เราจะมาดูโอ้ไฟสายเราก็วางมันเรไปว่า น, นี่ ยึดแบบนี้ถหากว่าเราไม่ยึดเราจะทําอะไรไหมจะเงินจะก้งก็ไม่ได้จะทํำให้สมยึดซะก่อนครั้งแรกมันอเป็นปัญหาก็ว่าแต่ว่าต่อไปไมันเป็นบารนี้ยังอยากมานี่ชาเครืจะมาวัดสระคงเขาต้องอยากมาก่อนถ้าชาเโรไม่รู้สึกว่าอยากมาแล้วก็ไม่ได้มาแล้โยกเขไม่ได้มากันใครๆก็มีความอยากจะมานี่จนระินมา นี่คือมาเด็กสม อ, อยากนี่นี่สม อ, อยากขึ้นมาแต่ยยึดมั่นคือมาแล้วของกับนี่คืออะไรสงสายเด็กจะยึดขึ้นมายึดเกิดเอออันนี้มันมันไฟฉายแล้วนี่นะแล้กสวางนี่นี่มันยึดแต่ว่าไม่เอามัน่นปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวาง พูัง่ายก็ารรียบอยวางจับมาดูรู้รียอยวางเบอยวางเรยบอยวางแค่นั้นอันนี้พระสมุตรมันดีอันนี้สมุตมันจะดีรู้เนี่ยอยทั้งดีทั้งเชื่อรู้หมดเค่าปล่อยอีไม่ด้ทเลยความโง่ไม่ยึดเดอดวาโง่ยึดเดือปัญญาอย่างนี้อันนี้วิญญาบทนี้เสมอได้ต้องเสมอได้อย่างนี้วิญาบทนี้เสมอได้ คือจิตมันเป็นทำจิตให้รู้ทําจิตให้เกิดปัญญาเมื่อจิตมีปัญญาแล้วอะไรมันจะเหนือยเสียก่อนอันนี้อยูแล้วการที่ยึดมามันจะยึดในโทษยึดขึ้นมามันไม่มั่นยึดดูได้รู้แต่ตัวอารมณ์เกิดเกิดมาทางหูแล้วรู้ว่าเอออันนี้โลกเข่าว่ามันดีแถวมันผวา โรคเขาว่ามันไม่ดีมันผัวางมันรู้ดีรู้ชั่วไอ้คนที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วจะยึดทั้งดีทั้งชั่วมันพุกหละคนรู้ดีรู้ชั่วเป็นต้นนะไม่ได้ยึดในความดีไม่ได้ยึดในความชั่วคนจะยึดในความดีในความชั่วนั้นก็ดีกว่านั้นคือคนไม่รู้ดีรู้ชั่วแต่ทางที่เรียกว่าเราทําอะไรนะ จารา่าที่ว่าเราอยู่ใบนี้เราอยู่ไปเพื่อประโยชน์อะไรเราทำงานใันนี้เราทำงานเพื่อต้องการอะไรแต่โลกเข า, าทางานนนนี้ต้องการ น, นั้นนั้นเพาว่าคนไม่เห็นผลพระสอนยิ่งไปกวนั้นอีการทำมาห น, นี้ทำอะไรไม่ต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไรโลกไขอต้องทางานมันี้ขอต้องการมันนั้นทํางานมันนั้นขอต้องการมันนี้มีผลอย่างนี้ชาวโลกดีครับแต่พระองค์สอนน่ะทํางานเพื่อทํางานไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรถ้าคนเราทํางานต้องการอะไรอยู่น่ยจิตปุ๊บลองดูลองกันได้ พอหน้าคุกจะมี e ให้ตองการขอสงวนทั้งหัวนั้นนะครับความอยากคุกเลยเนะี่ยลองลองดูสิเนี่ยมันละเอียดด้วยกันอย่างนี้คือทำเรียบร่อยวางทำเรียบร่อยวางมีปัญหาถามในพระเจถามอ่ะพรามพระบูชายัน เขาก็ต้องการสิ่งที่เขาปรารถนานั่นอยู่อย่างนั้นการกระทมเช่นนั้นของความนั้นยังไม่คนทุกเพราะก็มีความปรารถนาอยู่ริงทับแง่อันนี้ธัรเลือรจะทำารารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นทำไปทำไปไม่ได้ทำยังกว่าที่เรียกว่าไม่ปรารถนาอะไรแล้ว ทำเพื่อปล่อยวางแต่เรทําไปอันนี้ทํานี่มันเป็นเป็นปัจจัยต่างมันอยู่ทุกลุกขึ้นอย่างนี้คนเราแต่ทำเนี่ยทํานี่เพื่ออะไรเพื่อส่งการปฏิภานนั่นแหละไม่ได้ปฏิภานอย่านีาน่ยต้องการอะไรเพื่อยมีความสงบกันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ถูกมัด จะทำาเราไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นมันจะเป็นอะก็ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นอะไรมันุกข์อ่นัเทํางานไป็นอะไ ร, น, ไ น, ะไรนั่นแต่ความคิดเห็นว่าแต่การที่ทำนั้นมีอยู่ไอความว่างในตอนนี้ฟังคูคนฟังไมู่เรื่องแต่คนทาไปจะรู้จากความว่างนี้ประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันว่าในสิ่ทิว่ามันไม่มี มันว่างในสิ่งทีมันมีอยู่เช่นไฟฉายนี่นะ่ะเนี่ยมันไม่ว่าเราเห็นไฟฉายเนี่ยมันว่างว่างว่างเพรามีไฟฉายมีไฟฉายนี่เป็นต้นเป็นเหตุอย่าีว่าแสดงว่ามองดูขนาดนั้นไม่มีอะไรเลยมันว่างไม่ใช่อย่างนั้น ยังงั้นคนฟังความว่างก็งไม่เคยออกเหมือนกันไม่เคยเจริญจิตยังงั้นต้องเข้าใจความว่างในของที่มีอยู่แไม่ใช่แต่ความว่างในของที่ไม่มีเอาไปลองลองเลยทีอย่างนี้ <c oughs> นี่จะถ้หากใครยังมีความปรารถนาอยู่อย่างตามที่อูชายันญตามทำไมเขาเป็นบูชายันก็าจองการอนันต์ภายในอยู่ ม้นกันกระโยมน่ะมาเส้กลาปะโอ้ยน้องพ่อของรถน้ำทำไมรถทำไมตองการดูดีจิงดีเนี่ยมันเกนไปไผ่นั่นแหละมันในคนทุกเรื่อมันตองการเหมือนงันมีติดมีที่มีตองการเนืันมีเหตุผทางโลกเขาตองการมีเหตุผ ล, ลลผลทำมานี้เพื่อนั้นทำมานั้นเพื่อนั้นในายางวิศวกรรมนั้นทำไม่มีเพื่ออะไร ทางโลกจะทา ง, งานทาอะไรดีกว่ามีเหตผลตถ้าพระองค์สอน่ะให้นอกเหตุเสืือผลอเสียา อ, อร่าปัญญาของท่านให้นอกเหตุเนือผลให้นอกเหตเนือตายไปนอกปุจเหนือทุกขอไปอเรคิดไปตามสแล้วพิจารณาไปตามวี่ง ไม่มีที่อยู่คนเรามีที่อยู่ีจากบ้างใจมีที่อยู่มีที่อยู่มีรูปจับที่อยู่เพราเรามีใจอยู่ในพบอยู่ในความยึมั่นถือมั่นเป็นภพถ้าไม่ยึดมันถือมั่นแนี่ก็เดยวาไม่รู้จะทำอะไรยางโยมก็ใจปฏิภาณโยมอยากไปเราไม่ได้มีอะไรเลยในเมีอรไร ดงลังคาเนับพูนใช่ไหมที่สุดทางบนคือลังคาที่สุดทางล่างคือพืูนอันนั้นมันครบทางบนเนอันนี้มันครบทางล่างรลยะที่ครบสองนี่มันต่ อ, อกันบางว่านคนไม่รู้จักไม่มีที่อยู่อย่างนั้นจึงไม่รู้จักที่ว่างมเป็นที่อยู่ของคนเนี่ยอยู่ตรงที่งเป็นวนลังคามีที่อยู่ มาข้างล่างเยทีเีในยะนี้ไม่มีอยู่ไม่มีที่อยู่มันว่างที่ไม่มีพบเนี่ยเราก็รู้จักละมันมีพบเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ของเราอที่ไม่มีพบแต่เดียวมันว่างตัเอี้ยวเนี่ยว่าพันธุพานเนี่ยมันว่างถอยหลังเนี่ยไม่ไป ก, กลัวกลัจะไม่เห็นลูกกลัวจะไม่เห็นด้านกลยจะไม่เห็นอะไรๆตรงนั้นเนี่ย นะอย่างนั้นอย่างนั้นเ็นจังหงให้ใ ห, ให้ให้พรญาติโยมว่าเออายุวณนนูสทั้งพลังนะโวงวยมดนะีใจทราบจะไดอายุหลายวันนักผองสายมีความสุขมากและ ม, มีมีพลังหลายมีคนชอบ คนชอบใจจะก็จะไม่มีอะไรแล้วเลกเลยเ ร, เ ร, เรต้องเอาแลว้วเนีน่ยคนมาจุดอย่างใน้พอย่างนั้นบอกตรงนั้นไปหนึงไม่ไปในที่อยู่ละอ า, อายุวันโนสุขังคลางรรเออดีแล้วอายุวันยืนนานเนี่ยวันโนให้มีบัณฑะผิวพรรณสวยงามให้มีความสุขมา ก, มากให้มีอายยืนยีนยนยน คนอยุยืนยมีผิวพรรดีนะเคยเห็นไหคนอายุได้หนาอยู่พลังมากมากมี้หคนอยุมากามีสุขมากๆมีไหมอายุวันโนสุขังพลังสาสุขดีใจกันตรงนั้นทั้งคราเลยอายุวันโอสุขสลาเนี่ยดีใจเนี่ยมันติดเป็นภพเนี่ยอย่างนั้นถ้าบูชายันเพื่อจอการอะไรเขาจึงบูชายัน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 มันจบเรื่องของมันแต่พูดในฟังอย่างนี้ก็ไม่สบายใจเลยนะอยากจะมาเสพที่อันนั้นนีกสารภาพอย่างเนี่ยนั่นพวกปฏิบัติทางไห น, นนะหมีอุบาสกนี่แหละอุบาสกตากูตัวนู้นัางไหนเนี่ยมีอุบาสกก็ไปใต้พระความรู้ก็ไปใต้พระ ให้ความเห็นเข้าไปใกล้พระเป็นสุปฏิปันโนอุุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีปฏิปันโนให้เข้าไปใกล้พระใกล้พระก็คือใกล้พระพุทธเจ้าคือใกล้ธรรมะของท่านนั่นเองใค้ใกล้ธรรมะก็ได้ใกล้พพุทธเจ้านะอานุนให้ทําไหนมากอาจรื่ไหนมาก ใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเราใครเห็นเราคนนั่นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนลนี่ยเราเป็นหนึ่งของ พ, พระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้ามาสวดพระพุเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าไปแล้วพอพระพุทธเจ้าคือธรรมะคือตัดจะทำยังไงดูยืมบางคนเป็นออกปากผลมาเ อ, อ้ยทาราสด เกิดพันพระพุทธเจ้าเราก้จะตายเหมือนกันแหละแง่ไอ้ความโง่มันี้ดูออกมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ตั ว, ว น, นี่ใครบ้าพุทอย่างนี้ผ่านเพระพระพุธทธเจ้าคือสัจธรรมสัจธรรมมันจะจริงอยู่อย่างนั้นใครจะเกิดมาจะมีอยู่อย่างนั้นใครจะตายไปจะมีอยู่อย่างนั้นสัจธรรมนี่เนทูนไปจากโลกเป็นอย่างนั้นมีอยู่ตลอดเวลายอย่างนั้น พระพุทธเจ้าจะเกิดมาก็มีไม่เกิดมาก็มีใครจะรู้ก็มีไม่รู้ก็มีอยู่อันนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นเอ่ฉะนั้นจึงหาดองใกล้ขพระพุทธเจ้าใาล้อของพระพุทธเจ้าเล้วน้อมควเวทุประโฟ น, โ อ, นโอกเข้ามาให้เราก็ไปถึงธรรมะเื่อไปถึงธรรมะเราก็ถึงพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นธรรมะกัเห็นพระพุทธเจ้ามันจะหายเงลื่อนใจสงแล้ว ปกติอรย์คือธรรมะธรรมะก็คือปกติจ้า <c oughs> เป็นอย่างนี้ <c oughs> ถ้าพูดง่ายอย่าง <c oughs> ครูชูเพราะอย่างชูแต่ก่อนเป็ น, นเป็นครูนนาาเกินมาครั้งแรกไม่เป็นครูหรอกเป็นนายชูมาเรียนวิชาของครูสอบได้ก็ริยกว่า ไปเป็นอยูเป็นครูเขาเรียกว่าครูชูไม่เป็นครูเพราะอะไรเพราะวิชาของครูที่ให้นายชูเป็นครูชูน่ะนี่ไม่เป็นงี้ชาว่าจะได้เป็นครูนั่นก็เพราะเรียนวิชาของครูวิชาครูที่มีเป็นครูไม่เป็นครูเพราะวิชาของครู โคโช่อย่างนี้ไปมรณาภาพไปแล้ววิชาของครูนี่เรายังมีอยู่ใครจะไปเรียนวิชาครูไปตอบวิชาครูนี่ได้ก็ยังมีครูอยู่คนนั่งไปยังเป็นครูต่อไปวิชาของครูนั้นไม่เสีหายเป็นปฏิจติธรรมยังมีอยู่ในโลกเหมือนปฏิเจติธรรมที่ทําให้พระพุทธองค์ยินพระพุทธเจ้ายัางนั้นจึงจริงเหตุตรู้ใจธธรรยังมีอยู่เอ อย่างนี้ย่างนั้นใครปฏิบัติไปจะเห็นเห็นธรรมะเห็นธรรมะเห็นพรกพุาเจ้าเนี่ยอย่างนี้คนหมเนี่ยมองพพุเจ้าไปตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักถ้าฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็คงจะเป็นลูกศิษย์ไปได้ไม่ได้ตักกันไปเลยนะยพูดออกมาดูอของงูเนี่ยอย่างนั้นอันนี้เข้าใจ เป็นจิตที่สาคัญมากนนและการปฏิบัติของเราเหมืนการอย่าไปเข้ า, า, ขาขขใจบางเรื่องภาษาแล้วก็สุกหลอกปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ไอ้ความชัววม่ ว, วมีผู้เดียวจนนึ่งฆ่าตนก็ได้ทํำกำหนักที่ดุดแลไอ้ความดีพู้เดียวชนะกิจเดียวจันนั่นไปได้แล้วมุขได้ให้เข้าใจอย่างนี้จะไปเข้าใจแบบฉันบวดมา น, น, น, นาน อ, อ, อยากจะภาวนาย่งไรอยาก ไอ้คณะทีมันถูกต้องไอ้ไราทำกรรมไอ้กรรมชั่ววูบเดี่ยวเท่านั้นให้ทำกรรมหนักได้แล้วไอ้กรชั่ววูบเดียวหรือองคตัวองคของเราสายวุฒิทุ ก, ทกองค์ท่านปฏิวัติมานมนานเมือ่อมันโยนจะได้จะถึงมันนณะเดียวกันปป า, านั้นีนอ่อย่าไปประมาทอยงนั้นของนี้เล็กน้อยอย่าไปประมาทยาบทที่เรามีอยู่นี่พยายามอย่างั้นถึงเรไปอยู่สุขาเราใส่ผ้า แต่พิเารณาเพิงจะรู้จนะักเออห้เขายใจดีๆอะไรบ้าคืนนี้มันจะหลายทุ่ข์เหมือนเดมะคนฟังทำจะง่ว ง, อ ง, ง, อนองนอนจะมีนะพระพุทธเจ้าไม่ไม่แค่เปนคนง่วงนอนฟังนะให้คนด่มตาฟังด่มใจฟังนะ